ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีปทุมก็มังนำเสนอประสูตรในอุทานหรือกุตการิกายอุทานําหรัาวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของสุ ป, ปะพุทธกุธิสูตร คือพระสูตรที่ว่าโดยคนเข็นใจคนหนึ่งที่ชื่อว่าสุปปพุทธะคำว่กุฏินั้นก็แปลว่าโรคเรื้อนหมายความมานายสุปปพุทธะคนนี้เป็นโรคเรือนแล้วก็มีฐานะยากจนอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤึดด้วยอาชีพในการขอทานเขากิน พระนางบอกว่ามีบุรุษเป็นโรคเรื้อนชุบสุปปุท ธ, ธะเป็นมนุษย์ขัดสนกำพรายากไรยสมัยนั้นพระเจ้าก็ประทับอยู่ท่ามกลางสงหมู่ใหญ่ที่พระเวรุวันกลันทกะนิวาปสถานที่ พระเจ้าประเสริฐกศพระเจ้า พ, พิมิาสารทรงถวายเป็นปฐุมอารามนะฮะคือเป็นวัดพระแรกในพระพุทธศาสนาแต่ปกติแล้วตอนเย็นเนี่ยประชาชนก็จะมาวางธรรมเทศนาในสำนักของพระพุทธเจ้าแต่ข้อนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ชาวบ้านเนี่ยเขามาฟังธรรมกันสุปปุทธกุฏิคงจะไม่เข้าใจนะว่าพระไม่ได้ฉันอาหารตอนเพลตอนเย็นคือถ้าเราดูธรรมเนียมแล้วก็พูะเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่ชาวบ้านในตอนเย็น แต่ว่าโอกาสในการฟังธรรมของชาวบ้านก็ไม่กำหนดชัดเจนแน่นอนอะไรลงไปเนื่องจากว่าใครจะเข้าข้าวตอนไหนก็ได้นะรพระพุทธเจ้าก็เข้าข้าวง่ายบรดก่อนได้ยินเขาบรรยายเรื่องอะไรย้อนรอยก็พูดถึงจุดเด่นของท่านอาจารย์คูณประเทศพิทยาคมแมงวัดบ้านไร่ คือบอกว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่ใครก็เข้าถึงได้ได้ได้โดยง่ายไม่เลือกยากดีมีจนอะไรแล้วก็มองคนเสมอกันหมดคือคนก็คือคนนายกรมตรีก็คือคนรัฐมนตรีก็คือคนนายพลก็คือคนใครก็คือคนลูกศิษย์ก็ได้แสดงความชื่นชม เพราะท่านเป็นผู้มีจิตที่เรียกว่าอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางในคนทั้งหลายไม่ใช่ว่าถ้าเป็นคนใหญ่คุณโตก็ต้อนต้อนรับกันเป็นพิเศษโอ้อาใจกันเป็นพิเศษซึ่งก็ว่าที่จริงแล้วเป็นคุณลักษณะของพระนะก็เป็นอย่างนั้นเนะี่ยเพียงแต่ว่า บางครั้งบางคราวนี่พระเขามีงานะนะหรือไม่ว่างงานก็เคยมาเองก็เคยถูกต่อว่าบอกโ อ, โอ้คนก็ต่อว่าแปลกนะก็เรากาลังทำงานแล้วก็เร่งก็ก้มหน้าทำงานนะ่ไม่เห็นอะ่ะแ้คนก็โยเ ย, ยไปหมดเลยแล้วก็มีคนเป็นนินทาว่าพบยาก กฟังแล้วคล้ายๆกับเป็นคนยิ่งเป็นคนถือตัวเราสอบถามไปสอบถามมาอ๋อวันนั้นเราทำงานในตรงนั้นตรงนั้นมาก้มหน้าทำงานเราไม่เห็นนะคือตามปกติแล้วพระจะต้องมีใจเสมอสมับชาวบ้านทั้งหลายก็แน่ น, นอนแหละถ้าหากว่า คนที่มาหาเป็นกิ จ, จลักษณะ เ, เเะเป็นเรื่องเป็นราวพูดจาเป็นเรื่องเป็นราวประกาศจะนานหน่อยแต่พูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวสเพรหะต่างๆเนี่ยก็ต้องพูดน้อยหน่อยเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปพูดเรื่องไร้สาระอย่างนั้นถูกคือมีกิจจะต้องรับผิดชอบจะต้องจัดจะต้องทําคือว่าพูด พูดเป็นเป็นทํานองกันแา่กับพระอื่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงปกติพระแล้วก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือบางครั้งบางคราวเด็ยคนที่เป็นคนใหญ่คนโตเขามองเห็นแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงเช่นว่ากระตามปกติก็อยู่คนเดียวแล้วก็ประตูก็ไม่ได้ล็อกอะไรเนี่ยคนก็โผล่พรวดพลาดเข้ามา อาียะเป็นอันตรายอะไรขึ้นมาก็ได้คือชาวบ้านก็จะคิดในลนักษณะนั้นแต่พระเองไม่คิดแต่ไม่คิดในลนักษณะนั้นเพียงแต่ว่าต้องทัร้รวมระมัดระวังไว้หน่อยแล้คนในหวังดีก็มีนะหวังร้ายก็มีเพราตามปกติแล้วก็ถ้าอยู่คนเดียวทางานคนเดียว ก, ก็ล็อกคุณแจไว้ใครมาก็ นี่สัญญาณเคาะประตูอะไรก็ว่ากันไปพระตัสสุปาพุทิศเนี่ยท่านก็คิดว่าประชาชนเมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันมากมันคงจะมีอาหารอะไรเหลือให้เราได้ขอกินบ้างจึงเข้าไปเจตนาครั้งแรกเนี่ยเข้าไปเพื่อจะขออาหาร แต่พอข้าไปก็เจอคนมากแล้วพระพุทธเจ้ากำบังเทคือไม่ใช่กำลัางสวยพระเจ้ากำบังเทศอยู่พอมีคนก็รู้สึกว่ายังไม่เทศนะแต่กำลังเตรียมจะเทพตามปกติพระเจ้าจะเทศจะจวจดูกลุ่มพุทธบริษั บางครั้งบา ง, บางครั้งบางคราวในจากการสังเกตเช่นไปนโปรดทิดาในช่างหูคนก็มีเป็นร้อยๆนะฮะแต่พระองค์ก็เทศเจาะคนเดียวเกล้าทิฎาในช่างหูคนเดียวเพราะคนที่มีวาสนาบ ร, รมีแก่กล้าพอจะฟังธรรมรู้เรื่องแล้วบรรลุมรรคผลเฉพาะกลุ่มนั้นเนี่ยมีคนเดียวแต่นั้นเอง พระพุทธเจ้าก็กำหนดด้วยพระญาณตัวดูทุกคนนะฮะตัวดูสัตว์โลกทั้งหลายทุกคนเฉพาะที่ประชุมมาอยู่ตรงนั้นก็ตรงตัวดูว่าใครที่จะสามารถในบริษัทนี้ใครหนอกแลควรจะรู้แจ้งธรรม ก็กำหนดก็จะรู้นะพระพุทธเจ้านี่กำหนดปั๊บก็รู้ปุ๊บกเกยเห็นว่าสุปพุทธากุติเนี่แหละสามารถจะรู้แจ้งธรรมะได้แต่ว่าก็ดูพื้นฐานของท่านก็เป็นคนขัดสนกำพ ร, าร้ายากไร้แล้วก็มีหน้ำซ้ำยังเป็นโรกเรื้อนด้วยก็ พระเจ้าจึงเริ่มแสดงธรรมะในแนวที่เราเรียกว่าภวรานุศาสนีคือเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงมากที่สุดมีลักษณะสูงขึ้นไปตามลำดับแบบบันไดคือไต่ขึ้นไปโดยลำดับแต่ถ้าเราสังเกตจริงๆก็ไม่ได้หมายความมาแสดงครบชุดอย่างนี้เสมอไป บางคราวเราก็พบเป็นการแสดงตัดตอนไปเลยเช่นว่าเน้นเรื่องทานไปอย่างเดียวเน้นเรื่องศีลไปอย่างเดียวเน้นเรื่องสวรรค์ไปอย่างเดียวอะไรเป็นต้นเนี่ยพระธรมเทศนาชุดนี้เรียกว่าอนุบุพิกถาอริย ส, สัตสีอนุบุพิกถาก็คือธรรมะที่ส่งแสดงไปตามลำดับ เริ่มต้นที่ทานคือการให้เป็นกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลผู้นั้นแล้วมองเห็นคุณค่าของการให้ทานมองเห็นโทษของการไม่ให้แต่ก็มองได้หลายระดับนะคือบางครั้งบางคราวมันก็มองแบบแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ อย่างที่ท่านบอกว่าเนกาสีแลพปเตสุขังกินคนเดียวไม่ได้สุขเราไม่ยากกินเหลือเฟือแล้วก็เพื่อนไม่ได้กินก็นั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ไม่ชวนเขาอมก็เกินไปคนนี่ก็เป็นทานนะฮะเป็นทานในรูปของการอนุเคราะห์หรือการสงเคราะห์หรือว่าถือว่าทานเป็นการประดับจิตนะเป็นการอิสระกิเลสก็แล้วแต่จะคิดเนี่ยคิดได้เยอะ สรุปแล้วก็มันมีปัญญาเกิดขึ้นภายในใจก่อนหรือมีศรัทธาเกิดขึ้นก็ตามก็เป็นเหตุให้ฐานฐานตามปกติก็จะออกมาในสามแนวใหญ่ๆนะคือแนวที่เรียกว่าอนุเคราะห์เป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อคนที่เราให้ เป็นการสงเคราะห์คือคนที่เราให้เนี่ยเขามีปัญหาเขาประสบปัญหาประสบความเดือดร้อนแล้วก็เป็นการบูชาต่อความดีของคนเหล่านั้นเราก็ให้เขาไปแล้วเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นสุขจากการได้ให้จากมีการโอกาสได้ให้ บางครั้งบางคราวเราก็ไม่มีกำลังความสามารถอะไรพิเศษเท่าไหร่นะครคือวันก่อนที่ฟังเรื่องของยอนรอยเนะี่ยเขาบอกว่าท่านยันคูเนี่ยที่เงินเขาผ่านมือท่านแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็จดไว้ตั้งแต่ปศไทยหนึ่งสามะฮะคือสรุปแล้วก็ประมาณสี่พันล้าน ที่ท่านให้แล้วท่านบริจาคไปสร้างคือบางแห่งในีั้งสี่ห้าร้อยล้านเน่ะ่ยชาวใงเงินี่บริจาคถขายวท่านเป็นวิทยาลัยบ้างเป็นโรงพยาบาลบ้างสถานีตหรวจบ้างอ ะ, อ, อะไรต่างๆคือสรุปว่าเป็นสาธารณสถานที่น่าสังเกตก็คือว่าเป็นเรื่อให้แก่บ้านเมืองมากกว่าให้แก่วัดเพราะว่า พัชกรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประชาชนนะเอกกรส่วนใหญ่เป็นประชาช น, นเนชน้าเงินมากองไปที่วัดมากเกินไปเนี่ยประชาชนก็ลำบากวิธีการคิดของท่านเนี่ยมันมีความสำคัญหรือท่านคิดว่าเขามาฝากท่านไว้ให้ทำบุญท่านก็ต้องทำให้มันเกิดประโยชน์แผ่ไพศาลออกไป ถึงพระเราที่คิดแนวนี้มันก็มีเยอะนะฮะแต่ก็มันไม่ไม่ได้มีเงินมากมายอย่างนั้นคือการทํากันในลักษณะนี้ที่จริงก็เป็นเป็นปกติอย่างหนึ่งอะ่ะที่พระก็ทํากันแต่ว่าพระนี่เขาทำงเงียบๆคือไม่ได้มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนชุนชักชวนอะไรใครนอกจากว่ามีคนบางกลุ่มที่เขา ทำหลายๆเรื่องเขาก็โฆษณาบางทีก็ไปเจอไปเจอไปหน่อยนะฮะโฆษณาไ ป, ไปเจอไปเจอไปเพราะแนวทานเนี่ยมันหลักการมองเนี่ยสำคัญว่าคือพระเองจะต้องมองชาวบ้านผู้ให้ทานเนี่ยว่าเขามีกำลังทรัพย์พอไหมมีกำลังศรัทธาพอไหม ทีนี้ชาบ้านเนี่ยก่อนจะให้ฐานก็ต้องคิดว่าเรามีกําลังทรัพย์พอไหมมีกำลังศรัทธาพอไหมถ้าศรัทธามากกว่าทรัพย์มันก็ต้องให้ตามกําลังทรัพย์ถ้ทรัพย์มากกว่าศรัทธาก็ให้ตามกำลังของทรัพย์ก็แล้วแต่เืิอเลยมากกว่าเนี่ยก็ให้ตามกําลังของสิ่งเหล่านั้น ทนี้บางทีทรัพย์มันน้อยศรัทธามากเนี่ยไอ้ตรงนี้ ต, ต้องให้ตา ม, มกำกำกำังทรัพย์นะลืมไปหมายความให้ตามที่มันน้อยส่วนที่น้อยจะจะฐานรัฐา น, น้อยทรัพย์มากเนี่ยต้องให้ตามศรัทธาแล้วก็ทรัพย์น้อยศรัทธามากเนี่ยให้ตามทรัพย์บุญพระเองก็เหมือนกันคือต้องดูว่า เขามีกําลังทัพย์พอที่จะบริจาคไหมถ้าจะเชิญชวนจะชวนทําบุญอะไรแต่เวลานี้มันมันเสียแล้วคือใช้กะเกณนะฮะใช้กะเกณคช้ใช้กับบังคับมาเลยตรงเท่านั้นเท่านั้น เ, นเท่านั้นราชาคณะเท่านั้นพระมหาปริญญเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องแฟชั่นใหม่เกิดขึ้นในสังคมมนุษก็เป็นเรื่องน่าห่วงกันนะฮะ แล้วในถุดก็มันคล้ายๆกระตกตะกอ น, นนะนะคือสิ่งทั้งหลายที่มันตกตะกอนเนี่ย เ, เคยประชุมกันในกับสถานที่ราชการกับหน่วยงานราชการนะพิธีที่เกี่ยวกับสถาบันเะนี่ยทำงานในการเฉลิมฉลองได้เป็นการใหญ่นะพูดไปพูดมาของประมาณแผ่นดินนั้นโอคิดอย่างนี้มันไม่ได้หรอก คือถ้าเราจะคิดจะทําเนี่ยมันต้องทําตามกําลังของเรามันไม่จะคิดว่าจะได้ไรทั้งหมดคือจะเอาขอสนับสนุนจากรัฐทั้งหมดคือถ้าอย่างนั้นรัฐมนจะลําบากแล้วกระแสตรงนี้มันค่อนข้างจะแพร่หลายพอแพร่หลายมันก็ต้องการสิทธิเสมอภาค ถึงแน่นอนราสามัญชนเนี่ยเขาต้องคิดอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในอกาสต่อไ ป, ปแนวทางเป็นแนวของเจตนาที่บริสุทธิ์มีความรู้สึกดีต่อผู้รับแล้วก็มีความศรัทธามีความรอบรู้ในเรื่องของบาบุญกุณโท แล้วก็ไม่สนีไม่เสียดายในสิ่งที่ตัวเองให้วันจะทำหน้าที่ขจัดกิเลสได้ทั้งสามข้อนะะคือโลกรอดลงเนขจัดได้เอาจริงทานเนี่ยถ้ามันประหนี่ขึ้นไปเนี่ยเราสังเกตว่าอภยทานเนี่ยที่จริงไม่ต้องสละกิเลสแะไม่ไม่ต้องสละาวัตถุอะไรเพรียงแต่สละความโกรธความมาฆาดพยาบาทเท่านั้นเองคือกิเลสประเภทโทสะ แล้วก็ธรรมทานก็เหมือนกันก็ไม่ต้องสละวัตถุอะไรเพียงแต่ว่าอธิบายชี้แจงแสดงเหตุผลต่างๆในหะ้เขาเกิดความเข้าใจแต่นั้นมันก็กลายเป็นการดับกิเลสตอบความเข้มค้นันิเทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงลในในกลุ่มของทานเองนะฮะก็ยังมีความประนีตขึ้นไปบางทานทานเองมันก็ขยายไปได้เรื่อย que. แต่ ว, ว่ากระจายออกไปดับกิเลสที่มีชื่อต่างๆไปโดยํำดับประการต่อไปก็เรียกว่าสีและถาคือว่าด้วยสีสีตามปกติแล้วก็จะเน้นที่สีห้านี่เป็นหลักทางฝั่งจะสังเกตว่าเราเจอเรื่อยเลยสีห้านี่เพราะไม่เรื่อยก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะมันสีห้ามันหมดแล้วจริงๆ พโลกนีม้มีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตแล้วก็หมดแล้วสิ่งก็ปานาก็คือเรื่องชีวิตอาินานั้นเป็นทั้งทรัพย์เป็นทั้งชีวิตคือไม่ทั้งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตการเมก็เป็นเรื่องชีวิตนะแต่ว่าพูดในประเด็นของสิทธิครอบครองข้อมูสาวานมันก็ชีวิตอะ เป็นชีวิตติดต่อกับชีวิตเพราะสีหน้าจึงเป็นฐานเราเจอเราเรื่อยเลยแม้แต่อหังการมะมังการในเรียน่าอหังการมังการที่เป็นบทสรุปเนี่อังการมันคือเรากับของเราอะเราก็คืออะไรก็คือศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สามข้อที่สี่ของเราก็คือศีนข้อที่ที่สองมันก็มันก็ครุมหมด ประเด็นตัวนี้มันมีประเด็นที่เราน่าสังเกตตัวในแวดวงของชาวพุทธเราเองเนี่ยแล้วบางทีนับใช้รุงรังหมดเลยนับธรรมะเป็น ส, สิบสิบชุดเลยคือถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันขยามในการประพฤติปฏิบัติคือเรียนรู้เนี่ยมันอีกระดับหนึ่งนะเรียนรู้แน่นอนเราก็ต้องรู้โดยปริยายต่างๆ แต่ปฏิบัตินั้นอย่าลืมว่าคือกระบวนการคือกระบวนการที่เขาบุรณาการเขาเองเราไม่ต้องพูดคำว่าบุรณาการหรอกกระบวนการของธรรมะมันเป็นกระบวนการของบูรณาการโดยธรรมชาติของเขาแล้วก็ไปกันทั้งแผงนะแต่เนื่ะในความเป็นศีลที่จริงก็เป็นอริยมรรคสามข้อก็คือสมาวิจารสมาบัญตะสมาชีวะ แต่การที่คนสมาทานสีเนีแสดงว่าต้องมีความเห็นชอบเห็นคุณของสีเน้นโทษร่วมกันไม่มีสีเมื่อเห็นชอบเมื่อคิดชอบทการประคับประคองให้สีน้าเนินไปเนี่ยมาต้องอาศัยความเพียรอาศัยสติอาศัยจิตใจที่สงบระดับที่กิเลสหยาบหยาบไม่สามารถที่จะทะลักล้นออกมาจากานอกได้เพราะเราก็เห็นว่าเป็นอาการของอริยมรรค ที่ทําหน้าที่ของตัวเองโดดเด่นเป็นรูปธรรมเนี่ยคือศีล่านั้นก็เป็นปัจเจศเสริมก็สนับสนุนทตนี้ศีลเนี่ยเขาก็ละกิเลสลบลดลงคือสรุปธรรมปฏิบัติทั้งหลายก็คือละโลกหลดลงด้วยกันนต่อไปก็จะเป็นสวรรค์สวรรค์นั้นจะมีการพูดอยู่หลายแนว แนวส่วนใหญ่เป็นภาษาชาวบ้านที่คิดพูดกันในตอนหลังแต่ถ้าสวรรค์ที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยนะมันเป็นปรโลกคือโลกอื่นเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโลกอื่นดาวดวงอื่นหรือสวรรค์ระดับโลกมนุษย์เนี่ย มันก็มีบ้างนะมีภูมิมเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาอะไรต่างๆนี่ก็มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่อีกมิติหนึ่งเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะที่เราเรียกรวมๆ ม, มาเป็นอธิตสมานกายตรงนี้ก็ถ้าเป็นเทพก็ก็เป็นสวรรค์ข้างเขาแสดงว่าส่วนหนึ่งก็อยู่ในโลกมนุษย์อาจจะอยู่คนละมิติ เราสามารถจะพบเห็นเขาได้โดยทิพยสุหรือเขาแสดงตัวให้ปรากฏแต่สวรรค์อีกแนวหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเขาเรียกอารมณ์เลิศเป็นความคิดแบบไทยอ่ะที่เรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจในเป็นความคิดแบบไทยไทย เราก็ไม่เคยพบหลักฐานในชั้นพระบาลีนะว่าอสวรรค์นในอกนรกในใจเนี่ยมันเป็นพระบาลีพุทธวจนะแต่แน่นอนว่ามันเป็นผลของกุศลคือทางกุศลก็เกิดขึ้นไปในใจกิเลสมันก็ลดมันก็เป็นความสุขแต่ถ้าอกุศลก็มีกำเริบมีความรุนแรงมันก็เกิดความทุกข์มันก็อยู่ในเกณฑ์ฟังได้นะ หรือว่าแนวอะไรที่เขาเรียกว่ามนุษยมนุษย์โสมนุษยเทวอันนี้ก็มันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเนะี่ยเดิมมันมีกี่กี่ชื่อก็ไม่รู้ก็เรียกกันเนี่ยอันนี้ก็แบบไทยคิดเหมือนกันก็หมายความว่าในความเป็นคนเนี่ยมันอาจจะเป็นการมองมาจากธรรมะที่พระเจ้าสอนให้เป็นซะก่อน จ็นเป็นเทวดาด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นพรมด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นมนุษย์ด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นพอตกนรกพอตกอบายมันก็คือการขาดธรรมปังรัมมคาท่านก็คิดข้าทีนะฟังได้เจนนรกเนี่ยหมือนก็จิตที่ประกอบด้วยโทสะเปรตี่จิตที่ประกอบด้วยโลภะ แล้วก็วิราชานในจิตประกอบด้วยโมหะทีนี้พวกอันสุรกายในเราเห็นว่ามันก็เอามาทุกเรื่องแหละก็ส่วนใหญ่มันก็โลภะกับโมหะตัวเป็นลักษณะที่หลอกลวงก็เรียกว่ามีกายที่ไม่ปรากฏกายไม่กล้าเคยขาดความก ล, วกล้ากล้าทีนี้ สวรรค์เนี่มันเป็นผลของฐานของศีลคือทั้งฐานทั้งศีลเนี่ยนำไปสู่สวรรค์ด้วยกันแต่เพราะความเป็นกระบวนการนะเป็นความกเปเป็นกระบวนการบางครั้งก็ส่งแสดงที่ฐานบางครั้งก็สงแสดงที่ศีลบางครั้งก็เอามาร้อยเรียงให้ดูเลยก็เรียงไปตามลำดับจากนั้นก็แสดงก็เรียกกามาทีนก เพื่โทษแห่งกามมันต่ำสามเศร้ามองกามในที่นี้ก็เน้นที่วัตถุกรรมนะเน้นที่วัตถุกรรมก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนนออนแข็งนี่แหละคือว่ากันตามความจริงเนี่ยเราก็คงไม่ต้องเรียนอะไรลึกซึ้งอะไรนะคือแม้แต่ดูที่กายของเราเอง มันก็เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วก็สืบต่อด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆเป็นจนันมากในตอนที่เข า, าอะไรอะสัปดาบางสาวิรัตอะไรเทศการบางสาวิรัตเทศการกินเจกันเนี่ยมีการพูดถึงว่าการรับประทานอาหารที่เป็นผัก ก็เป็นการชำระล้างร่างกายเราเหมือนกับป่าช้าเป็นที่อยู่อาศัยของสากว์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็มาคิดไปบ่อยก็ดีนะฮะจริงก็เป็นาหาเรศปฏิกุลทัญญาอย่างน้อยที่สุด เ, เราก็ไม่ไปอยากกินวิจิตพิสดารมากเกินไปที่โฆษณาเรื่องอะไรอะที่ ท, ที่รับประทานอาหารร้านจําหน่ายอาหารในที่ทต่างๆม่นเต็มโต๊ะเลย จินก็ได้บินก็ไปได้ยังไงก็ไม่รู้กรุระคู่ฝาบันกางเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีโทษมากมีคุณน้อยนะมีคือให้ให้สุขน้นอยแต่ทุกข์มันจะมากที่ตามปกติคนมันจะไปมองที่ตัวสุขไม่ได้มองที่ตัวทุกข์ เราตั้งกตถึงว่าเรารับประทานอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยคล้ายๆการร้อยคล้ายเป็นสุขแต่ว่าก่อนจะรับประทานเนี่ยก่อนจะผ่านขั้นตอนมาเป็นรับประทานได้แล้วก็หลังจะรับประทานเนี่ย ม, มีทุกตา ม, มาเยอะเลยแต่เราก็อยู่คนจนชินอยู่คนจนชินแล้วก็ไม่เคยคิดในเรื่องเหล่า น, นี้เท่าไหร่ แล้วก็ตามปกติพระเจ้าก็จะไม่เทศสอนนะฮะถ้าว่าพื้นฐานคนยังไปไม่ได้เนี่ยเขาไม่สอนหรอกเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ย เ, เช่นเช่นงมุตรสอนเรื่องผมขนหรือผ่นหนังเนี่ยนะรตจากปัญญกะกรรมฐานสมัยพุทธกาลจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนจะขอบวชเนี่ยในขณะคนผมในยจะท่านสอนให้พิจารณาผมขนหรือผนหนัง เพราะในตัวที่พิจนารณาง่ายที่สุดคือผมที่มันร่วงลงไปเรื่อยๆเนี่ยแต่คนนี้จะบวชก็จะมองดูหรือว่าหยิบขึ้นมาแล้วก็พิจนารณาดูคือบางคนก็ได้นะฮะบางคนที่ก็มีบา ร, รมีในด้านนี้มาก็ได้ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระหันไปเลย<ม>ก็มีเช่นพระทัพมัลลบรเนี่ยก็บรรลุมรรคผลยังโปรงผมยังไม่ได้ครึ่งหัวเลย บนรู้แล้วเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วเป็นเด็กน้อ ย, น, อยนะฮะอายุเจ็ดขวบแค่นั้นเองแต่บางองค์เขารู้สึกขยะแขยงก็รู้สึกรังเกียจที่เอาเรื่องตรงนี้มาพูดเนี่ยมันก็ไม่ถูกกันนะเพราะงั้นพู้เจ้าเลยเอามาสอนไว้ทีหลังหลังจากปรงผงอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผ่านการขอบรประชาเป็นสามเณรอุปชายกอบรมไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็จะสอนเรื่อง มงลและพันหนังสรุปแล้วก็เพื่อจะให้ศึกษาพวกเรา่นี้โดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการจุกแช่โด้วยพวโลหิตต่างๆเนี่ยแล้วก็ถ่ายถอนความก้อหนักความยึดติดในเรื่องเหลนี้จากนั้นก็แสดงทางออกเขาเรียกว่าเนคขมานิสงคือนิสงที่จะออกจากกามหรือพูดจนรู้สึกเขาเบื่อหน่ายเขาคลายกําหนักเขา อุดตับรังเกียจขยะขยงแล้วก็ก็ต้องหาทางออกให้ก็แสดงเลขธมรมนิสง์คืออ น, นิสงส์ที่ อ, ออกจากกามเป็นการออกด้วยกายเป็นการออกด้วยจิตหรือออกทั้งกายทั้งจิตได้แล้วก็ดีนะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่กายออกสับ้างอย่างบัญหาสังคมปัจจุบันเนี่ยคือน่นมันเป็นธุรกิจ ความเป็นธุรกิจความเป็นสังคมในบางทีบางคนนึกแล้วก็สรุดใจนะฮะก็เคยไปวันหนึ่งเนี่ยมันไปจฉุกคิดขึ้นมาก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนป่วยพนัก ง, งานเจ้าหน้าที่ก็นั่งกันเงาเงาแล้วก็สอบถามเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีคนป่วย นะธุรกิจก็ไม่ดีก็ทำให้ัรรจุขี้เกิมเออธุรกิจของพวกนี้อยู่บนความพินาตเดือดร้อนของคนอื่นนะคนอื่นจะต้องศบประสบทุกภัยโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโรคมีปัญหาทั้งครอบครัวทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไระอะไรเยอะนะฮะ แล้วก็พอดีพอเสร็จจากนั้นก็มามาเข้าวัดแห่งหนึ่งที่เขามีงานศพเออก็ไปดูที่กระดานก็ปรากฏว่าคนตายน้อยอีกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยมีงานทำก็นั่งเป็นกลุ่มๆอยู่เออมพวกนี้ก็บางคังรํำรวยได้เงินได้ทองเงินบนความตายความพัดพากสูญเสียของบุคคลอื่นก็แล้วสรุปได้เราก็มองเออ ชีวิตมันก็แปลกนะการได้ของคนอื่นคือการเสียของคนหนึ่งแล้วบนงทีก็เสียกันเยอะเลยคือถ้าเราคิดเป็นนี่นะพวกนี้ถ้าเรามันคิดเป็นไม่ต้องคิดไปมรรคผลนิพพานอะไระเราคิดในแง่กตัญญูเนี่ยว่าชีวิตของเรานั้นได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนมาจากธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟอากาศทุกลมหายใจเข้าออก แล้วก็รับการอุปถัมภ์คำจุนจากสังคมในด้านต่างๆแม้แต่ว่าอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยบางครั้งบางคราวมันผ่านหยาดเหงือ่อแรงงานของคนมาจากส่วนต่างๆของโลกมากมายเหลือเกินนะฮะกว่าจะมาเป็นอาหารํำหนึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยรือถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าโลกเนี่ยมันมีคุณอุ ป, ปการต่อเราคือทำยังไงว่า ในเมื่อเราอาศัยชาวโลกเคยขึ้นดำรงชีวิตอยู่จนตายไปนะชาวโลกก็ต้องใช้จัดการศพให้เราก็ทำอะไรก็ศพเราไม่ได้สมมนิกาตันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าทุกเรื่องในโลกเนี่ยมันมีคุณอุปการต่อกันจนถึงความคิดทางาศาสนาที่จริงก็มีวราคุณต่อกันน่ยโดยตรงศาสนาทุกาศาสนา นะมีคุณอุปการต่อศาสนิกในศาสนาตัวเองแล้วก็โดยตรงทีนี้โดยอ้อมเนี่ทุกศาสนาก็มีคุณอุปการต่อประชาชนทั้งหลายในโลกเนี่ยแต่เราคิดอย่างนี้โลกมันน่าอยู่ขึ้นเยอะนะฮะแต่คนก็คิดไม่ได้เป็นเราเป็นเขาอันตรามันเยอะเลยกิจากนั้นก็จะมาสรุปที่อริยสัจสี่ประการ สี่ประการนี้ก็คือในพระบาลีนี่จะเรียกยาวบางบางทีก็เรียกสั้นบางทีก็เรียกยาวไม่แน่จากนั้นก็ก็เรียงเป็นทุกสมไทัยในรถมากก็สรุปว่าเรียงแบบสั้นๆแต่อย่าลืมว่ามันครอบคลุมไว้ทั้งหมดอย่างทานสีนี่ที่จริงก็มักกษัตนะ การมทีนบโทษของกามการอิสม์การออกจากกามอินนสม์การออกจากกามเนี่ยมันวิธีออกจากกามวิธีเห็นโทษมันก็เป็นมรรคทานั้นการพิจารณาเห็นโทษมันก็เป็นมรรคแต่ตัวกามเนี่ยมันเป็นทุกข์สัตว์ตัวกามมันเป็นทุกข์สัตว์การใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษแล้วก็เกิดเบื่อหน่าย ใ, ใครกําหนัดเนี่ยมันก็เป็นอาการของเป็ น, เ ป, นเป็นตัวมรรคสัตว์แปว่า ยิที่เบือนยใครกําหนัดก็เป็นอาการของนิโรธสั์ก็พอถึงจุดหนึ่งเวลาท่านบรรลุมรรคผลระดับโสดาบันเนี่ยท่า น, นจะใช้คําไม่เหมือนกันกับพระาราหารันท่านใช้คําว่าทําจากสุปราสจากทุลีปราสจักมนทินได้เกิดขึ้นแก่สุ ป, ปพุทธกุธิที่นั่ง นั้นแล ว, ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งบวน ล, ล้วนมีความรับไปเป็นธรรมดานี่คือการเห็นธรรมเห็นอริยสัจพอความรู้ตรงนี้ญาณตรงนี้มันผุดขึ้นเนี่ยมันจะทำลายสังโยชน์สามข้อออกไปแล้วก็ใจของท่านก็จะเข้าถึงศีลที่สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณปัญญาของท่านนั้นเรียกว่า เป็นปัญญาเป็นเครียทิทิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นหรือสมบูรณ์ในทิฏฐิแล้วในด้านความเชื่อนั้นจะหนักแน่นมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกัในใจสิกขาเหมือนจิตมันแค่ๆก็พร้อมแบบผ้าขาวที่พร้อมจะย้อมมาให้เป็นสีต่างๆได้เพราะว่าจิตใจของท่านพร้อม ที่จะก้าวไปสู่มรรคผลเบื้องสูงขึ้นไปแล้วพวกนี้จะไม่มีการตกต่ํานะฮเพราะโสตาปันณะเปลวัตถึงกระแสของปณิพานท่านสุปปุทธกุติก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ตกลงว่าคนทั้งกลุ่มที่มาก่อนท่านสุภปวปุทธกุติเนี่ยไม่ได้อะไระได้แต่สัทธ า, าเริ่อมใสยอย่างเดียวแต่บรรลุมรรคผลก็มีเฉพาะท่านสุปปุทธกุติแล้วตรงเนี้ท่านแสดงว่า มีธรรมบรรลุแจ้งแล้วมีธรรมมันอย่างถึงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศ จ, จากความเค ร, มรือบแครงบรรลุถึงความเป็นผูแ้แกล้าไม่เชื่อต่อผู้อื่นในาศาสนาของพระาศาสดาอันนี้เป็นมาตรวัดใจใจเรายัางเป็นอย่างนี้ได้ไหมใจเรามีธรรมด้รู้แจ้งแล้วหรือไม่อะไรเนี่ยคือท่านบอกว่ามีธรรมบรรลุแล้ว มีธรรมอันเห็นแล้วมีธรรมอันบนรรลุแล้วมีธรรมอันรู้แจ้งแล้วมีธรรมอันอยังถึงแล้วแต่ละข้อเนี่ยก็เป็นวิยาพูดอะแต่ว่าผลเนี่ยมันคือข้ามความสงสัยวิจิตรกิจฉาสักยะติติวิจิกิจฉาสีละพัตประมาสนะข้ามความสงสัยได้แล้วเพราะคนที่ไม่มีความสงสัยในพระรัตนาตรายจริงๆเนี่ยมันมันตั้งแต่ปศุระบันขึ้นฮนะ คนเราทั่วไปยังแข่งอยู่เยอะเวลาประชุมชาวพุทธทั้งหลายนี่เราเห็นชัดเจนเลยมีคนเป็ น, นมากที่ชอบพูดมา ก, มากแต่ไม่รู้จักแม้แต่พระสงฆ์แล้วก็หน้าที่ที่ตนจะต้องมีต่อพระสงฆ์เคยเจอมานักกว่านักแล้วก็เรียกว่าในระยะสี่สิบเก้าปีมานี้เราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้มาเยอะ เพรออคนประกาศตัวเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้จักว่าพระคือใครคือไปมองใกล้ๆกับพระคือบุคคลสําเร็จรูปเปิดปุ๊บติดปั๊บมาเลยบวชแล้วก็บริสุทธิ์หมดจดจากการสักวกิเลสเครื่องทํามองทางหลายเลย ท, ทั้งๆที่ตัวเองเคยบวชแล้วเคยศึกหรือพ่อตัวเองเคยบวชเคยศึกหรือญาติตัวเองเคยบวชเคยศึกเนี่ยคือก็ไม่คิดละก็แปลกเพราะฉะนั้นพวกนี้จะ ไม่การเพ่งโทษกับพระแต่พระโสะดาบันจะไม่มีเลยนะสมมติว่าพระโสะดาบันเดินมาแล้วเจอพระไปต่อยมวยกันอยู่เนี่ยท่านไม่มีความรู้สึกอะไรแต่จะเกิดการุณานะจะเกิดสงสารอาจจะไปให้สติตักเตือนอะไรแต่ไม่ด่าหรอกไม่ด่าหรอกทีนี้ถ้าหากว่าคนทั่วไปเนี่ย ท, ที่ไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวไปเห็นอย่างนั้นเข้าก็ยุ่งนั้นเนี่ยจากนั้นพอชาวบ้านเขาหลีกหนีไปแล้วเนี่ยท่านก็เข้าไปกราบทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาก็เป็นสูตรนะฮะเหมือนหายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองปะทะพี์ในทิพย์มืดโดยหวังว่าคนมีดวงตาจะเห็นแสงสว่างจากนั้นก็ประกาศตนเป็นอุบาสก ถึงพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสถาที่พึ่งจิตลึกคำประกาศตัวนี้ก็คือคำแสดงตนเป็นพุทธมามา ก, กะที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าคำมันก็เปลี่ยนไปบ้างนะเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าตอนนั้นก็พูดกับพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ตอนนี้เราก็มีสุจิระไปนิพุตมปิตังภควันตังสนังกฉามิขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าแม้เสด็จปฏิภานานานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นชนะแล้วก็ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจําข้าพเจ้าข้าพระพุทธพุทธเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป mm hmm. นะสุภัพุทธกุฏิก็กราบทูลลาพระพุทธเจ้าก็ก่อนที่จะไปเนี่ยบาลีท่านบอกว่า พระผู้มีภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจง้งให้สม า, า, าธาในอาถธาในราชเลงโดยทำมีราถาท่านก็ปีติประมว่นบางยิ่งขึ้นคือเป็นประสดาบาลและยินดีในธรรมแน่เทสะไรก็ได้ท่านเหล่านี้ฟังได้อย่างรุ่งเลยคือเป็นสุขที่ได้ฟังเพะท่านท่านจะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในธรรมะคล้ายๆกับไฟที่ไม่อิ่มด้วยเชื้อนะฮะ มาสมุดไม่อิ่มด้วยน้ำนักปราชญ์ไม่อิ่มด้วยธรรมเพราะฉะั้นถ้าเราคิดเทียบเคียงกับคนทั่วไป เ, เทียบไม่ได้คือธรรมะที่จริงฟังไม่มีที่สิ้นสุดแต่ฟังจะอ่านได้ไม่มีที่สิ้นสุดอ่านแล้วอันอีกอ่านอีกทีหนึ่งความคิดมันก็เกิดมาอีกทีหนึ่งความรู้ความเข้าใจก็เกิดอีกทีหนึ่ง แม้แต่เนี่ยทำมจาจักรวัตินัสูตรซึ่งสูตรที่เราคุ้นๆนี่เราไปอ่านอีกเที่ยวหนึ่งก็จะเกิดความเข้าใจที่พิเศษเออกไปอีกทีหนึง่งทีนี้มันมีประเด็นที่สอนเรื่องอะไรหลายอย่างนะฮะคือว่าเมื่อท่านถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําประทักศิณคือเดินเบียดขวาอันนี้ก็คือจารีตอย่างหนึ่งจารีตอย่างหนึ่งที่เขาใช้ ของเราก็ไม่มีภาพอย่างนั้นในปัจจุบันเนี่ยแต่เมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทํามะทักศีนเวียงขวาเดี๋วนี้สังคมอรารยันเนี่ยสังคมอินเดียนเนี่ยเขายังมีวิธีจับเท้าเนี่ยฮะจับจับที่เท้าแล้วไปรูปที่หัวตัวเองเขาทากับคนเนี่เขาเคารพนับนถือพ่อแม่นะฮะพ่อแม่แคนเนี่เคารพนับนถือมากๆน ะ, ะแล้วก็พระเนี่ยไปสาทุไปสามิจีสามิจีกับว่าสามิจี ถ้าเป็นชาวพุทธที่คนนทำถือแล้วเขาใช้วิธีอย่างนั้เราแสดงว่าวิธีเนี่ยคงจะเปลี่ยนกันมามาหลายยุคหลายสมัยเหมือนกันทีนี้พอหลีไปหน่อยเดียวแต่นั่นเองมันถูกโคถูกโควิดตายอูโคิดตายลิสูทั้งหลายก็ ไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับและกราบถูลเล่าเรื่องห้วงปู่ให้ทรงรารก็ทํานองว่าการที่สุ ป, ปัพุทธกุฏิมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่เป็นเหตุที้ถูกโคควิตตายตถ้าท่านคงคิดว่าทาให้เฝ้ า, าก็คงจะไม่ถูกโคควิตตาย เรนันตนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่ว่ามันมีอยู่ตั้งสองประเด็นนะฮะประเด็นหนึ่งคือทำไมทุกฆ่าทุกโควิดตายประเด็นที่สองก็คือทำไมจึงเป็นโรคเรือ้อนยากจนขัดสนเนี่ยมันไปแสดงถึงเรื่องกรรมที่ติดชีวิตมนุษย์อยู่เนี่ยก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏ โดยมีเหตุแต่ว่าเหตุนั้นอยู่ไกลเป็นเหตุอดีตทั้งหมดแต่ผลมาปรากฏในปัจจุบันทั้งฟังทหลายสิ่งทำจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูในธรรมจะมีได้ทั้งทุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี